สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตสุภาษิตในวันนี้ปรากฏอยู่ในบทที่18ข้อที่4ถึงข้อที่8นะครับสุภาษิตบทที่18ข้อที่4ถึงข้อที่8โปรดฟังพระวจะนะของพระเจ้าคำปากของคนเราเป็นน้ำลึกน้ำพุแห่งปัญญาเหมือนลำธาร น, น้ำเชี่ยว ที่จะลำเอียงเข้าข้างคนชั่วร้ายนั้นไม่ดีหรือจะบังคับคนชอบธรรมเรื่องความชอบธรรมก็ไม่ดีด้วยริมฝีปากของคนโง่นำการวิวาทมาและปากของเขาก็เชื้อเชิญการโวยปากของคนโง่เป็นสิ่งที่ทำลายตัวเขาเองและริมฝีปากของเขาก็เป็นบ่วงดักตนเอง ถ้อยคําของผู้กระซิบนินทาก็เหมือนชิ้นอาหารอร่อยมันล่วงเข้าไปยังส่วนต่างๆของร่างกายพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตนะครับตั้งแต่ที่เราได้เรียนรู้ด้วยกันมาตั้งบทที่1ถึงบทที่18นี้สำรวจกลับไปคร่าวๆเราจะเห็นว่าจำนวนข้อหรือคำสอนที่เกี่ยวข้องกับคำพูด คำพูดคำจาและความมีสติปัญญาความโง่เขาเนี่มีมากทีเดียวครับเราจะเห็นได้ว่าการเน้นเรื่องคำพูดนี่สำคัญเพราะเหตุที่ว่าคำพูดนั้นมันออกมาจากใจของมนุษย์ใจมนุษย์นั้นโง่เขาบาปัญญาก็จะมีคำพูดที่โง่เขาบาปัญญาออกมาใจมนุษย์ที่มีสติปัญญาก็จะมี คำพูดที่มีสติปัญญาออกมาคำพูดที่โง่เขลาบาปัญญานั้นก็ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดก่อให้เกิดการมิสคอมมิชชันก็คือการสื่อสารที่ไม่ดีแต่ในส่วนที่คำพูดที่มีสติปัญญานั้นก็จะเสริมสร้างให้กำลังใจนะครับคำพูดที่ไร้สติปัญญาหรือคำพูดที่โง่เขลาคำพูดที่ไม่ดีนั้นก็ก่อให้เกิดความแตกแยกก่อให้เกิดความเจ็บใจก่อให้เกิด สิ่งที่เรียกว่าคําพูดที่ให้ร้ายป้ายสีหนักไปกว่านั้นก็คือคําพูดที่บ่อนทําลายเนี่แครับคือสิ่งที่พระพุทธเจ้ได้ย้ําเน้นเสมอให้เราหลีกเลี่ยงจากคําพูดเหล่านี้ในทางกลับกันครับเราจะต้องพูดคําพูดที่เสริมสร้างคําพูดที่ปกป้องซึ่งกันและกันคําพูดที่อยู่ในเชิง preventive ก็คือคําพูดที่ในเชิงป้องกันครับเพื่อที่จะไม่ให้บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้น เพื่อที่จะปกป้องซึ่งกันและกันจะรักษาซึ่งกันและกันคําพูดที่บําบัดจิตใจช่วยเหลือกันและกันนี่แหละครับเป็นคําพูดที่พระคัมภีร์สั่งให้เราทําพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะเห็นว่าในข้อที่สนะครับเพราะเจ้าน้าของพระเจ้าบอกว่าคําปากของคนเรานั้นเป็นเหมือนน้าลึกคําว่าน้ําลึกมีความหมายว่าไงครับน้ําลึกก็มีความหมายว่ามันสุดที่จะหยั่งได้ คำพูดแ ห, แห่งปัญญานั้นก็เหมือนลำธาร น, น้ำเชี่ยวในข้อที่สีนั้นก็พูดถึงเรื่องของคำพูดที่ดีนะครับคำพูดของมนุษย์นั้นมีความล้ำลึกนะครับมีความล้าลึกของความคิดที่อยู่ตรงนั้นในขันเดียวกันครับก็จะต้องมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระพูดง่ายว่าคือว่ามเมื่อเราพูดต้องมีสาระครับและ ประการที่3นั้นก็คือคําพูดนั้นมีอํานาจที่จะสร้างความก้าวหน้าที่จะเสริมสร้างชีวิตประการสุดท้ายก็คือคําพูดนั้นจะต้องประกอบไปด้วยศีลธรรมจัร ญ, ญาและยุติธรรมครับเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติได้น้ําลึกมีความหมายว่าลึกซึ้งครับลําธารน้ําเชี่ยวก็มีความหมายว่าพลังอํานาจน้ําเชี่ยวนี่มีอํานาจใช่ไหมครับและลําธานั้นก็คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตน้ําที่หล่อเลี้ยงชีวิต พี่น้องครับถ้าเราพูดในสิ่งที่ดีเราก็จะสามารถที่จะจันโลงใจเล้าลมใจให้กำลังใจและเสริมสร้างชีวิตของคนบางคนนั้นเพียงแค่คำพูดเพียงประโยคเดียวเขาก็เปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีแต่บางคนนั้นเจอคำพูดที่เลวร้ายประโยคเดียวเขาก็เลิกทำในสิ่งที่ควรจะทำพี่น้องครับ คำพูดคําจาของเรานั้นสําคัญมากพยายามให้คําพูดของเรานั้นออกมาจากใจของเราครับอย่าพยายามที่จะกบเกลือนแปลเปลี่ยนคําพูดของเราดูเหมือนดีแต่มันไม่ใช่ข้อต่อไปครับในข้อที่5บอกว่าที่จะลำเอียงเข้าข้างคนชั่วร้ายนั้นไม่ดีหรือจะบังคับคนชอบธรรมเรื่องความชอบธรรมก็ไม่ดีด้วย นี่เราจะเห็นนะครับไม่ว่าเราจะเข้าข้างใครก็ตามไม่ดีหมดครับหรือเราจะบังคับกดดันให้คนที่ไม่มีความผิดให้ผิดหรือบังคับคนชอบทำให้ผิดก็ไม่ใช่นี่คือสิ่งที่พระพีได้กล่าวไว้การลำเอียงเข้าข้างคนชั่วร้ายนั้นสมควรต้องถูกประนามครับนะ สมควรต้องถูกประนามพอๆกับการไม่ให้ความเป็นธรรมกับคนไร้ผิดหรือคนได้เรียงสาหรือคนชอบธทำเพราะฉะนั้นการที่เราท่ามกลางเรานั้นมีหลายคนนั้นก็เป็นคนที่อยู่ในอำนาจเป็นคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราจะต้องไม่ลําเอียงไม่ลําเอียงเข้าข้างคนที่ไม่ดีไม่ลําเอียงเข้าข้างคนที่เราชอบเราชอบพอ พวกของเราไม่ลำเอียงเข้าข้างคนที่ดูเหมือนดีแต่จริงๆเราไม่รู้จักเขามากเท่าที่ควรไม่รู้จักตัวจริงๆของเขาเพราะฉะนั้นเราเองจะต้องไม่ลำเอียงครับและอย่าไปกล่าวหาคนชอบทำอย่าไปกล่าวหาคนดีอย่าไปกล่าวหาคนที่ไม่มีความผิดอย่าไปกล่าวหาคนที่พ่มพิช่คคาว่าไรเดียงสาพี่ครับ ในข้อที่ห้นั้นภาษาอังกฤษได้บอกว่า innocent ก็คือว่าเป็นคนที่ไม่มีความผิดครับเนเป็นคนที่ไม่มีความผิดเพราะฉะนั้นเราในทางกลับกันต้องมีหน้าที่คีปหรือรักษาไว้ซึ่งคนชอบทําครับรักษาไว้ซึ่งคนดีรักษาไว้ซึ่งคนที่ถูกต้องรักษาไว้ซึ่งคนที่มีความตั้งใจดีพี่น้องครับหลายทั้งทีเดียวเรามองเห็นแต่มันไม่ใช่ อย่าไปคิดว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันใช่อย่าไปคิดว่าสิ่งที่เราได้ยินนั้นมันถูกต้องอยู่กับเขากินกับเขานอนกับเขาเข้าใจเขาและชีวิตของเขาสัมผัสกับชีวิตของเราถึงจะรู้ว่าใครถูกใครผิดนี่คือความยุติธรรมที่พระภีสั่งว่าอย่าลำเอียงเข้าข้างคนชั่วข้อที่6ครับริมฝีปากของคนโง่นำการวิวาทมาและปากของเขาก็เชื้อเชิญการบย ขอ7่ครับปากของคนโง่เป็นสิ่งที่ทำร้ายตัวเขาเองและลิ้นที่ปากของเขาก็เป็นบ่วงดักตนเองโคข้อเจ็นั้นผมจะอธิบายพร้อมกันเลยนะครับคนโง่นั้นมักจะคิดว่าตัวเองถูกต้องเสมอแต่เขากลับพบว่าตัวเองประสบปัญหาอยู่เรื่อยเรื่เนื่องจากการพูดโดยไม่ได้คิดการพูดโดยไม่ได้คิดนั้นสำคัญครับเพราะอะไรครับ แม้ว่าเราจะจริงใจแต่ว่าถ้าเราไม่คิดเราไม่คิดว่าคนคนนั้นจะคิดกับเราอย่างไรจะบวกหรือลบกับเราอย่างไรนั่นแหละครับเราก็จะพูดความจริงแต่เราก็จะถูกความจริงที่เราพูดนั้นย้อนกลับมาสะท้อนกลับมานะครับเกิดเหตุนะี่ครับเรียกว่างานเข้าโดยไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับ หลายครั้งทีเดียวเราก็โง่ครับเพราะเนื่องจากว่าเราพูดโดยไม่ได้คิดถ้อยคําของเราอาจจะผิดพลาดนะครับแต่สาหรับคนโง่ในพิมพีตอนนี้บอกว่าปากของเขาเชื่อเชิญการบวยอันนี้คือคนโง่จริงๆครับเปิดปากเมื่อไหร่ปุ๊บคนก็รู้สึกหม่นไส้เปิดปากเมื่อไหร่ปุ๊ บ, ค น, นบคนก็รู้สึกว่าไม่อยากฟัง เปิดปากเมื่อไรปุ๊บคนก็อยากจะบบยเขาอยากจะลงโทษเขาอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับเขาพี่น้องครับนี่คือความหมายคำว่าถ้อยคำาเขาผิดพลาดถึงขนาดที่สมควรได้รับโทษคำพูดของเขานั้นทำให้เขาล่มจมนะครับในข้อที่7ทําทำลายตัวเขาเองครับและริม ป, ปากของเขาเป็นบ่วงดักตัวเองข้อสุดท้ายในวันนี้ครับ ข้อที่8ถ้อยคําของผู้กรซิปนินทาก็เหมือนชิ้นอาหารอร่อยมันล่วงเข้าไปในส่วนต่างๆของร่างกายการนินทานั้นเหมือนอาหารชิ้นอร่อยครับพี่นันครับคนไทยบอกว่านินทากาเลเหมือนเทน้ํานะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าพระคัมภีร์บอกว่าการนินทานั้นเหมือนอาหารชิ้นอร่อยการฟังคํานินทาก็เหมือนการกินอาหารที่อร่อยเหมือนอาหารที่ถูกดูดกลืนเข้าไปในส่วนลึกของร่างกายมันจะซึมซับเข้าไปในส่วนลึก ในชีวิตของคนที่ได้ยินได้ฟังก็คือความทรงจำนั่นเองพี่น้องครับอาหารที่อร่อยที่เป็นพิษครับมันซึมลึกเข้าไปในความทรงจำของคนฟังนั่นก็คือคำนินทาว่าร้ายคนที่กระซิปนะครับก็เหมือนกับคำคำพูดของคนที่กระซิบก็เหมือนกับชิ้นอาหารที่อร่อยนะครับผู้ที่กระซิบก็คือผู้ที่วางยาพิษ ขอพระเจ้าช่วยเราครับในการที่เราจะรักษาคําพูดคําจาของเราเพื่อที่จะให้คําพูดของเรานั้นเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าคําพูดของเรานั้นพระเจ้าจะพอพระทยัยแต่คําพูดของเรานั้นจะเสริมสร้างผู้คนอีกมากมายอามน